พระธรรมวินัยนั้นเป็นคําสอนที่เป็นนิยานิกธรรมเป็นคําสอนที่นําออกจากทุก์ <c oughs> นี่ก็มาดูข้อความในจริยาปิดกต่อจากครั้งที่แล้วที่กล่าวถึงข้อปฏิบัติของพระองค์เนี่ยนะที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณเป็นเครื่องช่วยให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโ ร, รุมิขจริยา ข้อ16หน้า299พระองค์เล่าให้พระสารีบทฟังว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพระยาเนื้อชื่อว่ารู้มีขนสีเหลืองคล้ายหลอมด้วยทองคำประกอบด้วยสีอันบริสุทธิ์อย่างยิ่งก็เป็นเนื้อเรียกว่าเนื้อทองอะนะกวางทองนั่นเองเราเข้าไปอาศัยอยู่ณประเทศน่ารื่นรมเป็นรมณียสถานสงัด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 เต่ว่าคนลอยน้ำก็บอกไปเราคือกวางทองก็ทำความการุณาแก่เขาสละชีวิตของเราว่ายน้าไปเออว่ายน้ำไปนำเขามาในเวลากลางคืนข้างแรมเรารู้การว่าเขาหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วได้กล่าวกับเขาดังนี้ว่าเราจะขอพรกับท่านสักข้อหนึ่งคือท่านอย่าบอกว่าเราเออบอกเราแก่ใครใคร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 มันก็เป็นพยานเนื้อที่มีศีลเห็นเป็นพยานเนื้อที่ตั้งมั่นอยู่ในคนคือศีลเมื่อท่านตั้งอยู่ในศีลศีลที่ท่านกระทำในตอนนั้นก็ผลตผลให้ได้โพธยานในครั้งนี้บทว่าปรมศีลสมาหิโตตั้งมั่นอยู่ในศีลอันสูงสุดพยานเนื้อ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 ปีติปีติก็นํามาซึ่งปัจสถานะความสงบประงับความกวนกวายทางกายและจิตใจทั้งจิตและเจตสิกเนี่ยนะเพราะเมื่อปัจสถานะก็ทําให้จิตตั้งมั่นอ่ะนะผู้ที่ทําอย่างนี้ได้ก็เนื่องจากมีความสุขในศีลอ่ะนะเป็นความสุขที่เกิดจากความไม่มีโทษเป็นความสุขที่ไม่มีอมิตเป็นความสุขที่ปราศจากความเร่าร้อนเป็นความสุขที่ปราศจากทุกทุกโทษภัยทั้งหลายเพราะว่าผู้มีศีลดี จิตย่อมตั้งมั่นโดยชอบและก็โดยถูกต้องจิตที่ตั้งมั่นนี่แหละที่เป็นเหตุไกล้ให้พิจารณาโลกตามความเป็นจริงเห็นโลกกสมุทัยตามความเป็นจริงเห็นโลกกนิโร ธ, า ธ, ธาตามความเป็นจริงเห็นโลกะนิโรทคามิหนีปฏิปทาตามความเป็นจริงก็สามารถที่จะรู้อริยสัจได้ตามความเป็นจริงเพราะว่าจิตที่บริสุทธิจทธ์จิตที่ผ่องแผ้วจิตที่ตั้งมั่นไม่วันไหว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 ท่านเป็นสัตว์แม้กระทั่งเป็นกวางท่านก็สามารถดํารงมั่นคงมั่นอยู่ในคุณคือศีลกล่าวถึงว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านเกิดในกําเนิดพยาเนื้อชื่อว่ารู้ๆผิวในร่างกายของเนื้อนะนะั้นมีสีเหมือนแผ่นทองคําที่เผาแล้วขัดเป็นอย่างดีเท้าทั้งสีดุดฉาบด้วยครั่งนันแปล ว, ว่าเท้าแดงหางดุดหางจามรีมีเขา เขานี่สีเหมือนพวงเงินก็เขาสีขาวดวงตานีดุดก้อนแก้วมณีที่ขัดดีแล้วเขาบอกว่าตาดุดตาเนื้อนะ ถ, ถ้าตาเนื้อก็ถือว่าเป็นตาที่งดงามเป็นดวงตาที่ปราศจากความดุร้ายเป็นดวงตาที่เรียกอะไรนะดวงตาที่ซื่อและดวงตาที่ใสแล้วก็บริสุทธิ์อนะปากก็อะไรปากดุดลูกคลี่หนังหุ้มผ้ากำพลสีแดงสอดตั้งเอาไว้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 ปนต้นสาระน่ารื่นรมใกล้แม่น้าคงคาก็เป็นดอกไม้หลากหลายนะก็ธรรมดาป่าก็เต็มไปด้วยดอกไม้หลายๆประเภทด้วยกันดังที่พระองค์เล่าว่าเราเข้าไปอาศัยอยู่หนประเทศที่น่ารื่นรมเป็น ร, รัมณียสถานสงดเงียบปราศจากมนุษย์เป็นที่ยินดีแห่งใจใกล้ฝั่งแม่น้าคงคา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 ต้นสาระไพรสนประดับเนี่ยนะไพสนก็คือต้นไม้ไม่ว่าต้นสนเป็นต้นเนี่ยนะเป็นใข่มะกลมไม้ดอกไม้ประดับงดงามไปหมดบทว่ามโนโระเมก็คือเป็นที่ยินดีแห่งใจโดยเฉพาะของผู้ที่ต้องการความสงบผู้ที่ต้องการกายวิเวกหลีกเข้าไปอยู่ในในป่านั้นเนี่ยสบายเนี่ยนะมีความสุขทีนี้อาชายคนที่ลอยน้าคือใคร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 ลูกชายเศรษฐีคนนี้จึงไม่รู้อะไรอะไรนอกจากวิชาขับร้องประโคมดนตรีฟ้อนรำเคี้ยวกินและบริโภคร้องรำทำเพลงกระจายสตังเนี่ยเป็นที่เหลือไม่เป็นแม้แต่อย่างเดียวนะใช้เงินเป็นมากไหมครับว่าให้เท่าไหร่ก็ใช้ได้หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือ น, นะก็เป็นกลุ่มลักษณะเนี่ยนะก็สมัยนี้มีไม่ใช่น้อยเลยสงลูกเรียนวิชาดนตรีอย่างเดียวเนี่ยนะไม่ต้องไปเรียนวิชาอย่างอื่นให้มัน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 เรานี่เกิดมาด้วยอัตภาพนั้นแม้อย่างนี้ก็เหมือนเป็นอย่างอื่นตายซะดีกว่ากันคนเคยรวยใช่ไหมพอเนี่ยหมดตัวนี่สินท่วมก็เลยไปบอกพวกเจ้านี่นะบอกเจ้านี่ทั้งหลายว่าพวกท่านจงไปเอาใบกู้นี่มาเพราะว่าพวกนี้ก็อะไรนะเวลากู้ก็ทำใบบัญชีกู้ใช่ไหมไปแปะโป้งม า, าอ่านไม่ออกแล้วก็หลอก หอกพวกเจ้านี่ว่าเรามีทรัพย์อันเป็นของตระกูลฝั ง, ฝงไว้ที่แม่น้ําคงคาเราจะให้ทรัพย์นั้นแก่พวกท่านเจ้านี่ทั้งหลายก็ไปกับเขาก็เชื่อนะบุตรเศรษฐีทําเป็นบอกที่ฝังทรัพย์ว่าฝังทรัพย์เอาไว้ตรงนี้ฝังไว้ตรงนี้ก็คิดว่าด้วยอาการอย่างนี้เราจะพ้นจากนี่ก็เลยหนีไปกระโดดน้ําือว่าจะไปกระโดดน้ําให้มันตายซะเลยเนี่ยนะหมดเรื่องเรียกว่าอะไรนะจ่ายด้วยชีวิตใช่ไหมคิดจะจ่ายด้วยชีวิต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 บลท์นั้นก็รับปากว่าจ้าฉันจะไม่บอกใครรอกะรนะรับปากรับคำเป็นอย่างดีอ่ะตรงนั้นก็ระลึกถึงคุณเขาได้ใช่ไหมโอ้ยขอบอกขอบใจเลิศเกินไม่บอกใครหรอกมีเรียกว่ามีสัญญาอะไรก็เซ็นให้หมดอ่ะนะแต่ว่าจะทําตามหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งอ่ะพระโพธิสัตว์ให้เขาขี่หลังของตนอย่างลงในทางที่จะไปกรุงพาราณสีพอไปถึงเส้นทางนั้นก็กลับดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า เราฟังเสียงของเขาผู้ร้องให้คร่ำครวญขอความช่วยเหลือไปยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาได้ถามว่าท่านเป็นใครเขาได้บอกถึงการกระทาของตนว่าข้าพเจ้าถูกนี่ถูกเจ้าหนี้ทำให้สะดุ้งกลัวจึงวิ่งมายังมหานาทีนี้เราจึงช่วยเหลือเขาสละชีวิตของเราว่ายน้ำไปนาเขามาในเวลากลางคืนข้างแรือเรามืดตืต้อๆนั่นแหละ แต่ว่าไอ้แม่น้ําเชี่ยวเชี่ยวกลางคืนเนี่ยนะมืดมืดเนี่ยน่ากลัวมากเพราะว่ามันไม่ได้ลอยมาแต่น้ําไม่ได้มีแต่น้ํามันมีทรงมาด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่ง น, นะข้ามน้ํพาพอเราข้ามน้ําเสร็จไม่ ก, กี่นาทีเนี่ยทรงมาปิ้ววิวิวมาเนกะือบจะท้าถาอะไรนะถ้ารออีกสินาทีจุติไปแล้วปัด น, นี่นเพราะว่าท่อนทรงมันลอยมาด้วยนะพวกท่อนไม้ท่อนใหญ่ๆท่อนเนี่ยนะลอยมามันไอ้ข้ามน้ําข้ามไปข้ามมาเนี่ยก็เกือบตายเหมือนกัน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 เราขอพอรกับท่านอย่างหนึ่งว่าท่านอย่าบอกใครๆนะอย่าไปบอกแก่พระราชามหาอมาตย์ของพระราชาว่ามีกวางทองอาศัยอยู่ณที่โน้นพูดถึงบุรุษคนนั้นวันนั้นก็เข้าไปในกรุงพาราณสีนั่นเองไอ้คืนนั้นนี่พระอัครมเมหสีของพระราชาก็ทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์หม่อมชั้นได้เห็นกวางทองแสดงธรรมแก่หม่อมชั้น หม่อมชั้นเนี่ยฝันจริงกวางทองจะต้องมีแน่นอนเพราะฉะนั้นหม่อมชั้นใครจะฟังธทำของกวางทองหากหม่อมชั้นได้ฟังก็จะมีชีวิตอยู่หากไม่ได้ฟังหม่อมชั้นก็จะไม่มีชีวิตอยู่อุยพระราชาฟังนี่ก็เศร้าเลยนะพระราชาก็เลยปลอบใจพระอาคาระัคราเหสีแล้วก็ตรัสว่าหากกวางทองมีอยู่ในมนุษย์โลกเธอก็คงจักได้ แล้วก็เรียกสังหาพรามตรัสถามว่าธรรมดากวางทองนี่มีอยู่หรือพวกอมระก็กราบทูลให้ฟังว่ามีอยู่แต่ว่าทรงเอาถุงทรัพย์ึ0 0ันใส่ไว้ในหีบทองคำยกขึ้นวางที่คอช้างแล้วก็ตีกลองเที่ยวเปล่าประกาศว่าผู้ใดบอกกวางทองได้เราจะให้ถุงรัพ์นี้พร้อมด้วยช้างแก่ผู้นั้นเรียกว่าอุบายวิธีะนะวิธีถ้าอยากจะได้กวางทองจริงก็ต้องเอา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 เราจะให้ทั้งบ้านสวยให้สตรีให้กล่าวว่าถือว่ายศศัก์ใหญ่เลยแหละแม่แต่ว่าพูดถึงกันนะคนทั่วๆไปเอ๊บอกที่อยู่แก่กวางทองเนี่ยพรที่ขอไอ้ ก, กวางทองขอไว้นี่ก็เราว่าคิดดูเหมือนกันนะขอเวลาคิดหน่อยอ น, น, นะของเราจะอยู่กลุ่มไหนนาะคิดแบบบุรุษนี้หรือเปล่าลุงเรืองเราจะอยู่กลุ่มไหนเนี่ยเสียชีพอย่าเสียสัตว์หรือว่า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 นะอย่างที่มงคลเราสวดใช่ไหมการไม่คบคนพาลทั้งหลายก็เนื่องจากว่าสมาคมกับคนพาลแม้เพียงครั้งเดียวก็นําปัญหานำทุกโทษนําเรื่องราวที่เลวร้ายมาให้โดยประการทั้งปวงพะถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีสติปัญญาพอจะแก้ปัญหาได้อะไรจะเกิดขึ้นเพราะั้นการสมาคมกับอาสัตบุุษทั้งหลายจึงเป็นความทุกแท้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 ตอนที่เป็นเนื้อท่านก็ช่วยพระเทวทัตตอนที่เป็นรูสีท่านก็ช่วยพระเทวทั ต, ต, ท, ท, ท, ท, ตทุกครั้งเดือดร้อนหมดเนี่ยนะบทว่ามิคานังคือพระราชาถามว่าดูก่อน ร, ร, รู้มิขราชบรรดานเนื้อนกหรือมนุษย์ท่านติเตียงใครตะโตนิทานังมิขราชทูลแก่พระราชาว่าข้าแต่มหาราช บุรุษใดที่พระองค์แสดงแก่ข้าพระบาทบุรุษนั้นลอยไปในแม่น้ําร้องคร่ำครวญขอความช่วยเหลือในตอนเที่ยงคืนข้าพระองค์ช่วยยกเขาขึ้นจากแม่น้ําภัยคือเรื่องราวที่น่ากลัวนี้มาถึงแก่ข้าพระองค์เพราะบุรุษนี้เป็นต้นเหตุชื่อว่าการสมาคมกับอาศตบุรุษเป็นทุกแท้ทุกทั้งในโลกนี้และก็ทุกทั้งในโลกหน้านี่ น, นี่ยังไม่ได้ฟังคําสอนของอาศรบุรุษนะถ้าฟังคําสอนเนี่ย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 พอช่วยชีวิตโจรเนี่ยนะนิสัยโจรก็คือโจรมันยังค่ําก็ไม่ได้คิดว่าเออผู้นี้เป็นผู้มีคุณต่อเราเป็นผู้ที่รักเราพักดีต่อเราในที่สุดก็วางแผนฆ่าคนที่ช่วยเพราะว่านิสัยโจรก็คือนิสัยโจรมันโดยรวมๆเขาบอกว่าการสมาคมกับคนกับอาศร์บุรุษเป็นทุกแท้พวกอาศร์บุรุษก็คือพวกที่มักล่วงอกุศลกรรมบท10พันถ้าเกี่ยวข้องสมาคมกับเขาเหล่านั้นเขาก็จะพาเราไปล่วง อกุศลกรรมบท10บจนได้เนี่ยนะหรืออย่างน้อยที่สุดเขาก็ต้องอะนะประทาปานาติบาทกับเราเป็นต้นเพราะอาศัตรษทั้งหลายเป็นคนเลวเ น, นะนี่อาศัตรษทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกก็นำทุกนำโทษนำพิษภัยทั้งหลายให้แก่คนหาประมาณไม่ได้สรุปพระราชาพอได้ฟังดังนั้นแล้วก็ส่งพิโรธบุรุษชั่วนั้นโกรธ นะก็สอดลูกสอนด้วยคิดว่าเจ้าคนนี้ไม่รู้จักผู้มีอุปการะคุณมากถึงอย่างนี้ทำให้เกิดลาบากเราจะยิงแล้วก็ฆ่ามันเสียนะคือพระราชานี่โกรธมากเลยเพราะเนื่องจากว่ากลุ่มพระราชาทั้งหลายเป็นกลุ่มคนที่ต้องการคนพักดีเรียกว่าต้องการคนซื่อสัตย์เนี่ยนะต้องการคนที่กระตันยูรู้คุณเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเลี้ยงเลี้ยงคนทั้งหลายทั่วไปก็หวังความ กตัญญูรู้คุณเป็นต้นเมื่อได้ฟังคำว่าคนอกตัญญูเท่านั้นแหละกระโทสานี่กำเริบเลยนะโรคคือโทสะนี่กำเริบจะฆ่าทิ้งซะเลยดังที่พระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังในคาถาว่าเรากราบทูลเหตุการณ์ทุกอย่างแด่พระราชาพระราชาทรงฟังคำของเราแล้วก็สอนลูกสอนจะยิงบุรุษนั้นตรัสว่าเราจะฆ่าคนลามกผู้ประทุษรายมิตรเสียในที่นี้นะ ก็คือคนนี่มันเกินไปไม่รู้จักอุปการะคุณที่เขาช่วยชีวิตตัวเองเนี่ยให้อยู่รอดปลอดภัยมาก็ยังไม่ระลึกถึงคุณของเขาเลยเนี่ยนะเรียกว่าเป็นผู้มีปกติปทุสรายมิตรปทุสรายผู้มีอุปการะแก่ตนหลายคนเขาบอกว่า ขนาดผู้มีคุณของเขาเขา้ายังปัททุสารายได้ขนาดนั้นแล้วคนอื่นเขาจะเว้นหรือเนี่ยนะเขบอกว่าขนาดอย่างบางคนบอกว่าขนาดพ่อแม่ของเขาเขายัางไม่เคารพแล้วเขาจะเคารพใครจริงเป็นต้นเนี่ยนะก็ลักษณะนั้นนั่นแหละครั้งนั้นพระโพธิสัตว์คิดว่าบุรุษพานนี้อย่าได้พินาศไปเพราะอาศัยเราเลยพระโพธิสัตว์ก็คือพระโพธิสัตว์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็คือผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ผู้ที่มีน้ำใจประกอบไปด้วยกรุณาก็คือประกอบไปด้วยกรุณาถึงเขาจะเลวก็คือลูกเราใช่ไหมอย่างอย่างที่ว่าบอกคนที่มีน้ำใจในความเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อลูกเนี่ยนะประทุสร้ายในที่สุดก็คือลูกเราฉันใดพระโพธิสัตว์ท่านเห็นสัตว์อื่นดูดบุตรของตนเนี่ยนะพันธุ์ท่านเป็นญาติของสรรพสัตว์ทั้งหมดพันธุ์ถึงเห็นบุรุษชั่วคนนั้นก็บอกว่า เ, ออเขาจะได้พินาศจะได้ชีพหายไปเลยก็เลยทูลว่า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 ขอพระองค์ยาทรงให้เขาเสื่อมเสียจงทรงพระราชทานสิ่งของที่พระองค์ปฏิญาปฏิญญาให้แก่เขาว่าจากพระราชทานเถิดพระเจ้าค้าพระพุทิศาสน้คำนวณรู้เลยว่าพระราชาคงเรียกว่าตั้งใจจะปูนบาเหน็จปูนบำนานเป็นต้นนี่แหละเขาจึงพามาเพราะฉะนั้นพระองค์ว่าจะให้สิ่งใดแก่เขาก็ให้เขาไปเถอพะพยาเนื้อก็กราบทูลต่อไปว่าอันหนึ่ง ข้าพระองค์จักนำสิ่งที่พระองค์เอ่อจักนาหรือจักทำสิ่งที่พระองค์ปรารถนาข้าพระองค์จะมอบตนแด่พระองค์นะก็คือขอมอบตนนี้แด่พระองค์ดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราตามรักษาคนผู้ประทุษร้ายมิตรแล้วก็ได้มอบตนของเราถวายแก่พระราชาว่าข้าแต่มหาราชขอได้ทรงโปรดงดก่อนเถิดพระเจ้าข้า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 ศัตรูเอาไว้เพื่อที่จะเขาจะได้พ้นไปจากความทุกข์แต่ว่าถ้ามองระยะ ใ, ใกล้ๆก็เหมือนกับว่าบุรุษผา น, นั้นน่ะจะประสบความสุขแต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกผู้ใดใจเป็นกุศลกุศลก็ให้ผลเป็นสุขผู้ที่สะสมอกุศลอกุศลก็ให้ผลเป็นความทุกข์เหตุการณ เ, เฉพาะหน้าดูเหมือนจะสุขเหมือนจะสบายแต่ระยะยาวระยะไกลไม่ได้เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะระยะยาวจริงๆแล้ว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 นั่นไม่ใช่การรักษาชีวิตจริงยู่เราอาจจะรักษาชีวิตสามารถฆ่าศัตรูได้แต่เราจะถูกฆ่าอีกกี่พบกี่ชาตินอเนี่ยนะถ้ามองระยะยาวๆระยะไกลๆเนี่ยนะการฆ่าศัตรูก็คือฆ่าตัวเองในอนาคตนั่นเองพระราชาเมื่อพระโพธิสัตว์สละชีวิตของตนยับยั้งความตายของบุรุษนั้นก็มีพระไยรยินดี ก็ดีใจเนี่ยนะเขบอกว่าการครบกับบัณฑิตนี้ช่างดีแท้เมื่อคบแปบเดียวเนี่ยนะพระราชานี่สบายใจเลยเ น, ยนะมีความดีใจตรัสว่าไปเถิดเจ้าเจ้าพ้นจากความตายจากมือของเราด้วยความช่วยเหลือของมิขราชแล้วพระราชทานทรัพย์แก่บุรุษนั้นตามปฏิยากนะรับปากไว้ว่าจะให้อะไรก็ยกให้ตามตามที่ได้บอกเอาไว้ พระราชาก็ทรงอนุญาตพรตามความพอใจของพระโพธิสัตว์แล้วก็นําพระโพธิสัตว์เข้าไปสู่พระนครรับสั่งให้ตกแต่งพระนครและประดับพระโพธิสัตว์ให้พระโพธิสัตว์สแสดงธรรมแก่พระเทวีพระมหาสัตว์สแสดงธรรมด้วยภาษามนุษย์ไเร่แด่พระราชาและพระเทวีพร้อมทั้งราชบริสัทด้วยโอวาทพระราชาด้วยทศพิตรราชธรรมเนี่ยนะก็สอนโอวาทในการปกครองเป็นต้น สั่งสอนมหาชนหลังจากนั้นก็เข้าป่าเวทล้อมไปด้วยหมูมฤอยู่อย่างสบายแม้พระราชาก็ดำรงอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์ทรงประทานอาภัยแก่สรรพสัตว์พระองค์ก็บำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าเศรษฐีบุตรในครั้งนั้นผู้ประทุสร้ายมิตรอักตตันอยู่ก็คือพระเทวทัตนั่นและเจ้าเก่าเนนะี่ พระราชาก็คือพระอ น, นุนรุ้รู้มิขราชก็คือพระโลกกนานเจรยานี้ก็ประกาศคู่นนุภาพของพระโพธิสัตว์เป็นต้นว่าการละฝูงมรึกนะการละฝูงของมรกขราชผู้ไม่ปรารถนาเกี่ยวข้องกับชนเพราะยินดีในความสงบอันนี้ท่านละความคลุกคลีได้แม้แต่เกิดเป็นเนื้อทั้งหลายท่านก็ละการครุกคลี การได้ยินเพียงเสียงเศร้าโศกของบุรุษผู้ข้าครวนขอความช่วยเหลือลอยอยู่ในแม่น้ําในเวลาเที่ยงคืนจึงลุกขึ้นจากที่นอนไปยังฝั่งแม่น้ําสละชีวิตของตนอย่างลงไปในห่วงน้ําซึ่งไหลลงไปในแม่น้ําใหญ่ฝากกระแสน้ําให้บุรุษนั้นขึ้นหลังของตนพาไปถึงฝั่งปลอบโยนให้พลาผลเป็นต้นแล้วให้บรรเทาความเหน็ดเหนื่อยช่วยเหลือเขาทุกอย่างอนะสละชีวิตเขาหาอาหารมาช่วยเหลือเขา การให้บุรุษของตนนั้นให้บุรุษนั้นขึ้นหลังของตนอีกครั้งแล้วก็นำออกจากป่าไปส่งที่ทางหลวงการเป็นผู้ไม่กลัวไปเผชิญหน้ากับพระราชาสอดลูกสอนประทับยืนจ้องด้วยหมายว่าจะยิงแล้วทูนด้วยภาษามนุษย์ก่อนแล้วทำการต้อนรับอย่างละมุละม่อมก็แสดงว่าท่านฉลาดในการปฏิสันฐานคือเรียกว่าพูดคุยกับศัตรูด้วยเมตตาจิตได้นะนะ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 การที่พระราชาทรงประทานพรแก่ตนจึงขอให้พระราชาประทานอภัยแก่สัพสัต์เนี่ยนะพรตัวนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่าขอพรให้พระราชาเจริญด้วยบุญกุศลให้พระราชานั้นทำอภัยทานเธอการแสดงธรรมแก่มหาชนซึ่งมีพระราชาและพระเทวีเป็นประมุขให้ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้น